เนื้อก็ไม่ค่อยปรากฏมีแต่น้ำน้ำําเลยกลายไปมีแต่เปลือกมีแต่กระพี้ไปคือมีแต่พิธีกรองไปที่ไหนมีแต่พิธีศา ส, สนาจริงๆมองไม่ค่อยเห็นมีแต่พิธีทั้งนั้นเต็มตหมดทีนี้ผู้ที่จะยึดเอาเป็นหลักเป็นเกณฑกับศาสนาจริงจิงก็เลยยึดไม่ได้ไม่ทราบว่าอะไรเป็นศาสนาเพราะการแสดงออกใครก็ ผู้ที่ยังไม่เข้าใจก็เข้าใจว่าจะเป็นเรื่องศาสนาทั้งนั้นในศาสนาเลยทำให้พิธีดีตองนี่เลยทําให้คนรุ้งไม่อาจจะเข้าถึงศาสนาได้อย่างแท้จริงนี่เป็นปัญหาอันหนึ่งที่เวลานี้มีมากมายกายกองแล้วเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นด้วยไม่ใช่ธรรมดากลายเป็นหลักเกณฑ์ขึ้นมาส่วนที่หลักเกณฑ์จริงก็ค่ากับค่อยเสื่อมค่อยหายไปโดยลำดับ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 เกี่ยวข้องไปด้วยแล้วอย่างไรเรื่องเปลือกเรื่องกับพี่นี้จะได้ถูกเศษสันเข้าไปเป็นแก่นเป็นหลักเป็นความจริงของศาสนาทั้งๆ ท, ที่ไม่ใช่ความจริงนี่เป็นเรื่องที่น่ามิตกอยู่มากศาสนาแท้ๆท่านไม่มีอะไรมากมายกายกองนอกจากสิ่งที่จำเป็นทำลงไปแล้วเกิดประโยชน์เท่านั้น รับศีล น, น, นี้รับศีลก็ต้องยุ่งไปหมดมาไม่ทํารับศีลก็เสียใจหนักวางอะไรก็ต้องรับศีลรับศีลอยู่ตลอดเวลาแล้วการรักษาศีลจะทราบรักษาอย่างไรกันนี่อันสำคัญแต่รับวันย่างค่ำมีงานที่ไหนพิธีที่ไหนอ้าว อ, อยู่แล้วอันนี้กองกอทัพเยวัา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 คือศีลทั่วไปเป็นศีลห้าศีลแปดอย่างนี้ศีลที่เป็นเพศอันหนึ่งเพื่อประกาศเพศก็ต้องมีเรื่องให้ประกาศเป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่งขึ้นมาตามหลักข้อใดๆซึ่งศีลเนรศีลพระ่ยแต่สุดท้ายก็เจตนาก็อันเดียวกันไม่ได้มากมายกายคองอะไรทำพิธีก็เอาถวายทานก็ฟาดกันจนกระทั่งหมดคัมภีบางที นั่งฟังไปจนจะเงานอนจะนอนหลับถวายทานมาทราบว่าถวายอะไรก็แล้ยุ่งไปหมดไล่มาโม้โลกภทานมาถวายทานดีไม่ดีอยากจะะอวดภูมิตัวเองด้วยว่าได้เรียนมามากเลยรู้มากแคนอื่นเขาอะจรรย์กันมั้งไอภูมิน้ําลายนั่นนี่อย่างนี้เป็นต้นตการเมื่อแล้วแล้ว ผ่านการปฏิบัติแล้วเราจะเห็นว่าอะไรมันทําให้เสียวเวลามีเวลาอะไรมันจริงอะไรมันปลอมเพื่ออะไรมันยืดเยือ้อพอจะเข้าถึงตัวจริงเนี่ยโอ้โหเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างนี้ไม่ทราบทําเพื่ออะไรเพราะฉะนั้ในในวงกรรมฐานท่านถึงไม่ค่อยมีเร่พิธีที่ตองอะไรอยาจะพูดว่าไม่มีแต่ว่าไม่ค่อยมีว่า ง, งั้นพอเหมาะ บางทีก็ต้องอารมณ์ผ่อนผันทั้งทั้งทีก็ทราบอยู่แล้วมันก็มีเพื่อจิตใจผลถ้าเดินไปตามนั้นอ้ากิตใจนี้การจะเป็นประโยชน์มันก็เป็นทวดไปเคียะพอผ่อนผันนานยาก็ผ่อนไปบ้างในวาระต่อไปค่อยเตือนกันค่อยบอกกันเรียนรู้ดมรู้เล่าอ้าววันนี้นเป็น <laughs>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 ทำลาลาทากพรกล่าวชอบแล้วจงมาพุทธมอาจรรย์เพื่อความที่สุดแห่งทุกเถอนี่วรรกต่อมากือเทนุประสัมปทาถึงสรณะสามคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สำเร็จเป็นพระขึ้นมาถึงวาระสี่นี้พอถึงวาระที่สามนี้ก็ยกให้สงฆ์เป็นใหญ่บวชให้สาเร็จในสงฆ์แล้ว ตอนนี้เป็นท่านประกาศทางลูกขมูลทีนีเป็นลูกขมูลเลเซนนาสนังแล้วก็ให้ประพฤติพรหมจรรย์ตัวความสิ้นทุกโดยชอบเถอะทางที่แต่ก่อนก็สอนให้อยู่ลูกขมูลร่มไม้อยู่แล้วแต่ไม่ได้ขึ้นเป็นกฎเป็นเกณฑ์ในการบวช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 คือการบวชนั่นเองท่านเอาจริงเอาจังสอนแล้วไล่เข้าป่าเข้าเขาไปเลยให้เขาเพื่ปฏิบัติจนกระทั่งได้บรรลุแล้วจะออกประกาศสอนอประชาชนก็ทีนี่เป็นไปตามปรัชญ า, ยายสัยของท่านผู้ที่มีอํานาจวาสนาหรือความรู้ความฉลาดลึกตื้นอย่างละเอียดมากน้อยยังไงท่านก็สั่งสอนประชาชนไปภูมไหนที่ท่านไม่เกี่ยวข้อง มรนาท่านไม่มีอย่างนั้นท่านเขาไม่เกี่ยวเช่นพระอัญญากลทัญญาไปอยู่ในอะไร ส, ะสัตทันมีช่างอุปธรรมปฐางนมต้องสิเอ็ดปีผ้ายอมด้วย ด, ด, ดินแดงคือไม่ไม่มีอะไรจะยอมจำเป็นก็ยอมผ้าด้วยดินแดงถึงเวล า, าแล้วก็มาทูลลาพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานไปเลยอันนี้ตรากฏว่าได้ สอนเฉพาะพระปุณณมันปุณมันตณีบุตรเพิ่งเป็นหลานชายอันนี้เป็นพระธรรมก็ถกเอกครับปุณณมันตนีบุตรนี้เป็นหลานชายของพระัญญาคุณเนี่ยปรากฏว่าสอนองค์เดียวเท่านั้นแล้นท่านไม่สนใจกับใครเลยนี่เป็นนัดตันยูคือพระสาวกองค์แอกเที่ยวทีบรรลุธรรมองค์ท่านมีอำนาจวาสนาในทางใดท่านก็เป็นไปาตามเรื่องของท่านเองเช่นภาษาริบุตรพระโมคคันลา เป็นผู้เมียนาวัสนามากมีความรู้ความฉลาดมากอย่างภาษารีบุตรกาแนะนำสั่งสอนก็กว้างขวางทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่เหมาะสมดังนั้นด้วยความฉลาดในการสอนพระโมคคัลลาก็เป็นผู้สมนุษย์ตั้งเด็กเป็นไปตามนิสัยวัสนาของท่านคือลําดับหนึ่งเนาะนี่เมื่อถึงขั้นอรหัตภูมิแล้วเป็นนิสัยวาสนาล้วนๆท่านมีจิตเดชเข้าเกี่ยวปนท่านจะออรวมสั่งสอนประชาชนตนเมืองมากน้อยเท่าไร มันเป็นไปาตามปฏิยาแสงท่านไม่มีกิเลสเขาเพี้ยบแฝงก็ไม่ทําให้เป็นยุนบยอนดอนท่านสอนท่านได้แล้วก็เอามาสอนคนอื่นในเบื้องต้นท่านจะสนใจต่อการอบรมสั่งสอนท่านอย่างเป็มที่ถือผลทรมานการที่จะทรมานกินเลสมันก็ต้องเป็นการทรมานตัวอยู่โดยตรงถ้าไม่ทําอย่างนั้นกินเลสมันก็ไม่ยอมกิเลสมันก็ไม่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 ทั้งทั้งที่ฝ่าเท้านะั้นไม่ใช่กิเลสแต่จำเป็นก็ต้องไับรับคัามกทกอะเทือนไปด้วยถึงฝ่าเท้าแตกด้วยการรบกับกิเลสบางองค์ก็ตาแตกพระจะกขุบาลตาแตกทั้งสองข้างเลยเพราะไม่นอนต้องเป็นเวลาสามเดือนฝึกกระมานอย่างเต็มที่จนตาทั้งสองข้างแตกแต่ใจสว่างเจ้าขึ้นมาแทนกันแทนที่ นิดถึงคราวที่จะต้องรับความทุกข์ลาบากเพราะการประกอบความภาคเพียงเพื่อแก้กิเลสก็ต้องยอมรับกันเราจะไม่ยอมรับอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ต้องยอมรับพระพุทธเจ้าก็ยอมรับพระสาวกทั้งหลายกว่าจะได้มาเป็นสาธาของพวกเรายอมรับเรื่องความทุกข์ความลําบากในการผุกผลทรมานกิเลสทั้งนั้นนะอ่ะเพราะกิเลสมันอยู่กับตัวฟันกิเลสไม่ฟันเข้าไปถูกตัวด้วยกระทบกระเทือนกิเลสไม่กระทบกะทท ร, ะ, กร ะ, บกะเทือนตัวด้วยไม่ได้ต้องกมีการกระทบกระเทือนตัวเป็นธรรมดา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 เช่นนั่งมากมันก็ทุกเดินมากก็ทุกนอนมากก็ทุกนอนพิจารณากิเลสนะกาหนดภาวนามันทุกโดยกันเท่งนั้นชื่อว่าประโยคพยายามที่จะแก้กิเลสและมันเป็นความทุกข์ด้วยกันแ่าจะเป็นการอดนอนป่อนอาหารมันเป็นเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่เพื่อจะแก้กิเลสทุกก็ต้องยอมรับการขัดตก บ, บกพร่องอะไรอะไรก็ตามมันเป็นความปุดเพืองในการในความเป็นอยู่ก็ยอมรับอะไรต้องยอมรับยอมรับ เมื่อเขียนิดอันยิ่งใหญ่มุ่งต่อต่อธรรมเพื่อคือแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วอะไรเราต้องยอมรับกันทั้งนั้นไม่ยอมรับไม่ได้ที่ดเกลียดมันอยู่กับเราเราไม่ยอมรับความก็ต้อกระเทือนความทุกข์ความลำบากเพราะการแก้ดเกลีย ด, ด้วยไม่ได้ต้องยอมรับทุกข์ก็ทุกยอมทุกข์ลำบากก็ยอมขอให้ดเกลียดมันค่อยหมดไปหมดไปเพราะดเกลียดเป็นเครื่องก่อความภายในจิตใจถกบ่นทำลาย ก็คือกิเลสนี่แอย่างภายนอกนะครัที่เราเห็นนั่นเแี่ยจะไตรกันที่นั่นจะไตรกันที่นี่เดินขบวนกั่นั่นเดินกระบวนที่นี่ก็คือพวกบ่อนพวกทาลายทําลายบ้านเมืองทำลายที่นั่นทําลายที่นี่ทำลายหลายครั้งแล้วผลเข้ามันก็แหลกไปเองนี่ก่เลือสมันทําลายเรามันทําลายอยู่มันมันบ่อนตรงนั้นมันบ่อนตรงนี้แต่เราไม่ทราบว่ามันบ่อนทําลายเราสิเราไปเข้าข้างมันเสียเนี่ยมันก็เลยตัวของเราก็เลยเป็น เรื่องความทุกข์ขึ้นมาโดยไม่เห็นโทษตัวเองเลยนี่มันเป็นความลำบากเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาแยกแยกออกเจียิรกรรมอันใดเป็นไปเพราะความก่อทุกข์ความลำบากจากตนให้สามัดระวังว่าเกียริกรรมคือความคิดประเภทนั้นผิดพยายามแก้ไขโดยถูกทางเราก็จะมีความพัฒสุดใจหรือผู้เกี่ยวข้องก็มีความพัฒสุดใจเช่นเดียวกันมันขึ้นอยู่กับผู้บายแห่งการแก้กิเลสธรรมกิเลสเราอยากคิดว่ามันอยู่ที่ไหน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 เพราะช่นอย่ที่ว่ากรรมฐานกรรมฐานเมนื่อสักครู่นี้เป็นงานใหญ่ต้องเป็นความทุกข์แต่คุณค่ามันอยู่ในความทุกข์มีนี่คุณค่าอยู่ในความทุกข์ในการฝึกฝนธรมานกิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ภายในจิตใจเรามันก็มีเหมือนกันมันต้องมีความเข้มแข็งไม่เข้มแข็งไม่ได้การฉุด ก, การ拉 จ, จิตออกจากสิ่งโมเหมออาะออกจากสิ่งตกตะกั่วโสมมมันเป็นของทำได้ยาก เพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยอยากจะทํากันสู้นอนจมกับก่เลสไม่ได้เก็เลยจําเป็นต้องนอนนอนจมนนั้นนอนบนเหมั้นก็คล้องทุกข์บนให้ทุกข์แต่ว่ามีทางที่จะแยกทุกข์จับตัวได้บนกันไปจนกระทั่งวันตายก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรก็มีแต่วความบน่นสบายทุกข์ออกโดยความบน่นมันก็ไม่ถูกแต่ก็จําเป็นต้องระบายสบายทุกข์ออากาด้วยอาการนั้นโดยอาการนี้ เข้าใจว่าจะเป็นทางถูกต้องเป็นทางระบายทุกเป็นทางที่จะให้มีความถูกบ้างมันก็ไม่มีเพราะไม่แค่ทางแก้กิเลสมันเป็นการเพิ่มพูนกิเลสขึ้นซะอีกถ้าเราคิดทางบัญญาแล้วมันก็มีทางปฏิบททัติหรือทางแก้ไขกันไปศา ส, สนาในครั้งกุฏกาลท่านสอนอย่างนี้สอนเข้าในวงจิตโดยเฉพาะเฉพาะใ้เรื่องที่จะระบาทางกายทางวาจานั้นเมื่อจิตได้รับาการอบรมดีแล้วมันทราบเองอังนไหนถูกอนนันไหนถูก พอสำคัญให้จิตเป็นผู้ได้รับทำคือเหตุผลเข้าสู่ดวงใจทุกสิ่งทุกอย่างแสดงออกจะเป็นไปโดยเหตุโดยผลก็เป็นความรา่ำรวยดีงามการแก้แค่กิเลสั้ง ม, มีเหตุมีผลก็แค่กันไม่ตกต้องมีเหตุมีผลเป็นเครื่องแก้ไขกันกิเลสอ่านกัำพีไหนก็มากิเลสเราก็เข้าใจว่ากิเลสไปอยู่ในคำภีมันเสียนั่นที่อันหนึ่ง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 ที่คำเพียงนะประจําชื right. ่อข so ีดเด็กเลยแล้วก็ว like ่าตัวรู้ตัวเข้าใจตัวฉลาดเสียเนี่ทั้งๆที่ไม่ได้มาแตะต้องขีดเล็กสักตัวเดียวพอให้มันหนังถะเลาะบ้างเลยกิดเล็ยังเต็มหัวใจและมากยิ่งกว่าปกติที่ไม่เรียนซะอีกนี่นี่มันผิดพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพื่อถูกตามความเป็นไปของธรรมหรือนโยบายของพระพุทธเจ้ากิเล็กตัวใดก็ตามที่เรียนชื่อเรียนรู้ชื่อมันอยู่ที่ตรงไหนก็ตามนั่นเป็นชื่อของมันกิดเล็กมันอยู่ภายในใจ ความโลภชื่อมันอยู่ในคัมภีร์ตัวกิเลสอยู่ภายในใจความโกรธคำภีร์ไม่ได้โกรธหัวใจคนมันโกรธต่างหากความรุ่มหลงคัมภีรไม่ได้ลุม่มหลงชื่อชื่อของกิเลสไม่ได้หลงไม่ไ้รุ่มหลงตัวกิเลสคืออยู่ภายในตัวของเราเองเนี้เป็นตัวหลงต่างหากเนี่ยการแก้จึงต้องเข้ามาแก้ที่นี่อแก้ที่อื่นไม่ถูกเนี่แหแก้โดยถูกหลักแล้วกิเลสมันจะค่อยเบาบางลงไปลงไปทวนดูเจ้าของเสมอ ดูภายนอกครับทบทวนก็มาภายในจึงที่ว่าเรียนทำเราจะดูออกไป น, อ, นอกดูไปเรื่อยๆจนลึกกระทั่ทงลืมเนื้อลืมตัวหาดูเข้ามาในตัวดูไปข้างนอกเทียบเทียมเหตุเพียบเทียมผลแล้วมันก็มีสั์มีส่วนที่จะลงกันได้จิตใจก็ปล่อยวางลงไปได้ก็สบายสบายมีวิธีเรียนวิธีปฏิบัติต่อใเอให้ปฏิบัติอย่างนี้วันหนึ่งครับทบทวนมากๆทบทวนเรื่องของตัวเองพิจารณาเรื่องของตัวเองให้มากๆเพราะมันผิด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 เป็นที่อยู่อาศัยมันก็สบายถ้าไม่มีก็นาบากบ้านเมืองเขามีที่อยู่ที่อาศัยเราไม่มีเราไม่ใช่กระจ้ากระแตไม่ใช่สัตว์แม้แต่สัตว์เขาก็มีรวงมีรังมนุษย์เราไม่มีบ้านมีเรือนอยู่ได้เหรือมันลาบากหืมจิตใจไม่มีหลักไม่เกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลไม่มีที่พื่นที่อาศัยไม่มีที่เกาะที่เหนียวอยู่โดยลาพังตัวเองมันก็มีแต่ความทุกข์บุมอยู่ตลอดเวลาเอ้อหาความสุขความสบายไม่ได้ เมื่อมีธรรมแล้วผมพอมีความเรย็มเย็นเป็นจุดภายในจิตใจแต่เพราะย่างยิ่งให้สร้างก็ปีปัญญาขึ้นให้มาแก้ที่เหลวในปัจจุบันนั่นแหละให้มันเห็นชัดๆแก้ไปได้มากน้อยมันก็รู้เองมันเต็มอยูงง่ในจุดนี่แหละมันวิ่งออกทางขันทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอเวทนาเกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดแต่เวทนาขี้เหลวมันเกิดขึ้นด้วยถ้าศติไม่มีเกิดความเดือดร้อนเสียใจเพราะทุกข์ที่นั่นเจ็บปวดที่นี่ ความเสียใจนั้นเกิดขึ้นเพราะความหลงอิกิเาบถมันเกิดขึ้นตรงนี้ความทุกข์มันจึงเกิดขึ้นมาได้เกิดความกังวลกระวายพานาจิตในใจว่าทุกข์เกิดขึ้นที่นั่นที่นี่กลัวทุกข์จะไม่หายกลัวตนจะตายบ้างเหล่านี้มีงแต่เรื่องส่งเสริมกิเลสเพราะความง้อเข่าของตนเองไม่รู้สึกตัวเอาจะเป็นก็เป็นนีิจะตายก็ตายสิเราเรียนความรู้เรียนเพื่ออะไรความรู้ออรรก็คือความรอบสิ่งเหล่านี้เองเป็นก็เป็นมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้ทราบแต่ท่านแล้วตายทําไมจะไม่ทราบมันอยู่ใน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 นี่กิเลสมันแทรกขึ้นมาอย่างนี้นความทุกข์ที่นั่นความเจ็บปวดที่นี่แล้วก็จะเกิดความสัมพันธ์ขึ้นมากลัวจะไม่หายกลัวจะตายบ้าะตายวันนั้นจะตายวันนี้อะไรถาหากคิดไปคิดเรื่องเหล่านี้มีแต่เรื่องที่จะขอบความทุกข์ความลําบากให้ใจจิตใจทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของดีไม่ใช่เป็นเรื่องแก้กิเลสเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้เราทราบไว้อืการแทรกิเลสคือยังไง้าเกิดก็เกิดให้รู้เรื่องความเกิดเจ็บก็ให้ทราบมันเจ็บมันเรื่องของความเจ็บอันหนึ่งต่างหาก ทำเจ็บเป็นหนึ่งต่างหากผู้รู้เจ็บเป็นหนึ่งต่างหากนียตายก็ให้ทราบมันตายอันไหนมันตายก็มันตายไปผู้ไม่ตายคือผู้รู้ก็ให้มันอยู่นีผู้ศรู้มันไม่ตายไม่มีปัดขาเอาอมตะอมตะเง้าหมายเรื่อจิตนั่นเองที่เหลืออยู่มันก็เป็นอมตะข้ามันที่เหลือดสิ้นไปแล้วก็เป็นอมตะแต่เป็นอมตะที่ต่างกันเท่านั้นนหละอมตะอันหนึ่งอมตะทางวัตตะคือต้องหมุนต้องเดียนอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปอมตะอันหนึ่งไม่เกิดต่อไปอีกและไม่ตายมีเป็นอมตะของความมืดสุดแห่งใจ มีสองอย่างเราเรียนให้รู้อะไรที่จะมาเกี่ยวข้องมาทำลายจิตใจให้ทราบว่านั่นคือข้าศึกให้รีบแก้ไขกันทันทีให้มันทราบนี่เราเรียนเรียนธรรมคือเรียนเรื่องขันสําคัญที่สุดก็คือขันระหว่างขันกับจิตนี่มันกระทุกระเทือนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยดืนเดืนนั่นนอนลุทุกิริยาบททั้งกระทุกระเทือนอยู่เสมอถ้าเรามีสติปัญญาก็จะเป็นหินรับอยู่เสมอและเรื่องความกระเทือนทั้งหมดนี่เป็นหินมากปัญญาคือเป็นเครื่องปลูกปัญญาให้ปัญญาได้ตื่นทันทันกับเหตุการณ์ รู้รอบขอบคิดกับมันแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ซึมชาเขา้าไปายในจิตใจไม่ต่อยยาพิษเข้าไปภายในใจใจก็ไม่เดืดอดร้อนไมครุนกวาดถึงวันลาจากตาก็ตาไปอย่างสุขสโตเพราะความรู้รอบขอบแล้วแหน่ yeah, มันก็เป็นอย่างนั้นเรียนร็นธรรมเยนอย่างนี้อ่ะจนแก้กิเลสก็แก้กิเลสอย่างนี้เองกิเลสคือความสําคัญมั้นหมายต่างๆนี่แหละซึ่งเกิดขึ้นจากหีบดวงเดียวแก้ให้มันทันยิ่งเวลา จนตัวเขาจริงๆนี่เวทนามะมีมากมายสไลมันจะโหมตัวเข้ามาหมดนะแต่ให้พึงทราบว่าเวทนาอยากเข้าใจว่าเวทนาเป็นตนอันนี้เป็นหลักสําคัญมากอางพิจานามันเห็นความจริงของเวทนามันจะทุกข์มากเนาะเพียงแต่ให้รู้เอาจิตกําหนดหยุดนั่นนั่นล่ะให้รู้จิตนี่เป็นธรรมชาติที่รู้เวทนาเป็นสิงที่แสดงขึ้นเกิดขึ้นระดับไปเป็นธรรมชาติของมันเองผู้ที่รู้ให้รู้ทั้งมันเกิดมันดับ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 เวลจาจะตายจริงมันก็ยิ่งเดือดร้อนอีกแล้วมันเกิดไม่เกิดประโยชน์อะไรความเดือดร้อนทางนี้นี่แต่ความทุกข์ตายแล้วก็เสียท่าเสียทีเพราะความเดือดร้อนเป็นเหตุอีแล้วเนเพราะฉนั้นจึงต้องแก้ความเดือดร้อนด้วยความรู้ความเข้าใจในธาตุในขันในอญญายุนะต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในกองสมมุติทั้งหมดเรา마าสายกองสมมุตินี้จะให้สมมุตินี้เป็นตัวของเราได้ยังไงมันก็ต้องเป็นเรื่องของเขาของเราอยู่นั่นแหละองธาตุาก็เป็นธาตุขันเป็นขันแต่ว่าไง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 ปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสแก้อย่างนี้กิเลสอยู่ภายใจิตใจคือความก้อควรมันเองด้วยแง่ต่างๆอันนี้นว่ากิเลสทําก็คือสติปัญญาพิจารณามันรู้เรื่องรู้ราวเขาถึงแบบนี้แล้วปล่อยวางกันไว้ตามสภาพของมันด้วยความรอบครอบแล้วนะถึงข่าวที่จําเป็นมันไม่เอาอะไรมาแสดงอ่ะมันเอของจริงที่เคยมาแสดงนี่แ่ะทุกกระทุกตัวเก่านั้นแหละที่เคยเป็นอยู่ในบัดรนี้จะไปแสดงในเวลาสุดท้ายคือเวลาตายไม่เอาทุกมาจากไหน ปัญญาก็ปัญญาอันนี้แหละที่เคยได้พิจารณา น, นี่แหละรู้จริงํารความจริงของมันในทุกเวทนาทั้งหลายเอาเรื่องความตายมันก็อันอันนั้นเกิดอยู่นี้แหละมันจะตายไม่ใช่อันอื่นอันใดเลยตายคือตัวที่มันรวมผส ม, มเข้าเนี่ยเป็นก้อนคนก้อนศัพท์เนี่ยมันจะสลายตัวจากก้อนนี้ลงไปแล้วก็ทราบมันเนี่ยทราบมันจะทุกอย่างไม่ต้องไปไม่ต้องไปแบ่งสรรทส่วนกับเขาต่อให้เขาลงตามสภาพของเขาเต็มร้อยเปอร์เซ็นตของเขาเอาดินลงไปให้เต็มร้อยเปอร์เซ็ตของดิน น้ำให้ลงลงไปเต็มส่วนของน้ำไฟเป็นถ้าเป็นไฟลงไปเต็มส่วนของไฟของลมอ่าธาตุขันอะไรมันตั้งขึ้นมันดับไปให้ตั้งขึ้นดับไปตามส่วนของมันเต็มส่วนของมันผู้รู้ให้รู้อยู่เต็มส่วนของตอนเองเพื่อไม่ไม่ข้าข้าวกันแล้วมันก็ไม่มีอะไรมายุ่งเหยิงวุ่นวายกันมันไม่รบกันต่างอันต่างกินก็ไม่รบไม่รบมันก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนสบายเนี่แะท่านเรียนทำแก้พิริย์ทแก้อย่างนี้ แล้วเราจะไปล่วมจมไปไหนฟังขั้นพัาจิตสิเรียนเพื่อรู้เพื่อฉลาดจะไปล่มจมที่ไหนความรู้ความฉลาดไม่พาให้ล่มจมนอกจากความโง่ความเขา่าเท่านั้นพาให้ร่มจมได้การพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่ส่วนความล่มจมเพื่อความปลดเปลื้อนตัวเองออกจากสิ่งร่มร้อนทั้งหลายนั่นเสียท่าถขานนี้มันเป็นความร่มร้อนอันหนึ่งของมันที่มันมีอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันถ้าจิตเข้าไปเกี่ยวข้องใจก็ร้อนไปด้วย คือจิตของเรานี้ร้อนไปด้วยถ้าจิตรู้ตามความจริงของมันแล้วแม้จะอยู่ในถ้ากลางแห่งกองเพลิงคือทุกเวทนาทั้งหลายมันก็ไม่ร้อนพราจิตไม่ร้อนจิตรู้ตามเป็นจริงแล้วอยู่นั่นนี่คือการแก้ที่เลสพระพุธธทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้แหละนี่หลักธรรมชาติในการสอนศาสนาท่านสอนลงที่ตรงนี้ส่วนปริยาเอาไปที่เป็นจริงก้านสาขานั้นเราก็ไม่ไม่ได้ปฏิเสธคือเป็นความจริงป็โดยกันทั้งหมดแต่ขณะที่จะเอาตัวจริงตัวจังจริงแล้วให้ลงที่จิตนี้ไม่ลงที่อื่น ภูมงามความดีทั้งหมดเราจะสร้างด้วยอะไรก็ตามด้วยการให้ทานก็ตามรับรับสัิงก็ตามภาชนะที่จะรับภุมงามความดีทั้งหลายเหล่านี้ได้จะจิตแน่ลงที่จิตนี้หมดไม่ไปไหนจะจําได้มาได้ก็ตามเถการทําบุญสุนทานต่างๆมากน้อยกี่ปีกี่เดือนกี่ครั้งกี่หนไม่จําเป็นจะต้องจําลงในที่จิตหมดลงในจิตนี้หมดจิตเป็นผู้รับไว้ทั้งหมดนะแล้วภูมความดีเหล่านี้แหละจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตพ้นหพ้นจากโลกไป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 ก็ก็นั้นนั่นแหละมันพิธีอะไรหรือพิธีบ้านวางเดินยนต์กรมก็เดินเดินไปงั้นเห็นก็เดินก็เดินสติสตังไม่ทราบไปอยู่ไหนอันนี้ก็เป็นพิธีอันหนึงง่งกันพอไปเดินน้วันนี้เราได้เดินยนต์กรมเท่านั้นจงังหวงเท่านี้ น, นาทีดีใจดีใจกับลมกับแรงกันไมไ่เรื่องอะไรน่าหล่อมเป็นพิธีไปเทียเดินยนต์กรมพอเป็นพิธีนั่งสมาธิพอนาพอเป็นพิธีอะไรเลยพอเป็นพิธีหิริเลศมันไม่ใช่เจ้าพิธีนี่นะ มันตัวเหยียบย่ำทำลายคนโดยรตรงต้องแจม้มลงที่ตรงนั้นแก้ที่ตรงนั้นอยู่ไหนมันก็เป็นความเพียรนั่งอยู่ก็เป็นความเพียรถ้ามีสติมีปัญญารักษาจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วเอียบททั้งสีเป็นความเพียรกันทั้งนั้นเนี่ยให้มีความเพียรแบบนี้นะนี่แหละคือว่าเดินตามหลักศาสนานเดินตามแนวทางของผู้แก้กิเลสแล้วก็คือเรียกว่าเดินทางประทำแนาทางของผู้ที่จะสิ้นที่เลสจะสิ้นในแบบนี้ ที่นในลักษณะนี้ไม่สิ้นแบบอื่นลักษณะอื่นพระพุทธเจ้าท่านสิ้นไปเพราะเห็นนี้สาวกท่านสิ้นไปด้วยอุบายธีนี้ด้วยปฏิปทาอันนี้กิเลสมีประเภทเดียวกันการดำเนินแบบเดียวกันกิเลสจะต้องดูดลอยไปโดยลาดับเช่นเดียวกันและทึงความพ้นทุกข์เช่นเดียวกันจพีงขอให้เป็นที่ลงใจในการปฏิบัติของตนเองและขอยุติเพียงเท่านี้